เรื่องลูกดุมสมัยนั้นท่านพระอานนท์ห่มสังคาติเนื้อบางเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านสังคาติถูกลมบ้าหมูพัดเวิร์กขึ้นครั้นท่านพระอานนท์กลับไปถึงอารามจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตลูกดุมรังดุมสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีใช้ลูกดุมชนิดต่างๆทำด้วยทองทำด้วยเงินคนทั้งหลายตํหนิประนาม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 อนุญาตลูกดุมทำด้วยกระดูกทำด้วยงาทำด้วยเขาสัตว์ทำด้วยไม้อ้อทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยไม้จริงทำด้วยไม้ยางทำด้วยผลไม้ทำด้วยโลหะทาด้วยกระดองสังทำด้วยเส้นได้สมัยนั้น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 ลึกเข้าไปเจดถึงแปดองคุลี